เป็นน้ำตายเดรัทธีทั้งหลายจึงพากันบริโภคอุทะการร้อนนั้นติเตียนซึ่งท่านทั้งหลายว่าเราสมณะสากยาบุตรย่อมพากันเบียดเบียนซึ่งอินทรีย์แห่งสัตว์ชนิดหนึ่งตราบเท่าสิ้นชีวิตพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงอธิบายให้แจ้งจงได้ทำลายล้างซึ่งถ้อยคำเดรัทธีทั้งหลายอันถีมิจฉาทิฐินั้น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 มหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเมื่อบุคคลยกเอาหม้อข้าวขึ้นตั้งบนเตาไฟอุทะกังนั้นเงียบสงัดไม่หวันไหวไม่ร้องดอกหรือประการใดพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีตรัสว่าหาไม่ได้เมื่อบุคคลยกหม้อข้าวขึ้นตั้งบนเตาไฟนั้นอุทะกังในหม้อนั้น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 บพิษพระราชสมภารได้เคยทรงเสวนาการฟังบ้างหรือประการใดสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราจึงตรัสว่าอามะพันเตพระเจ้าข้าโยมได้ยินอยู่พระนากเกษมผู้เป็นอรหันต์ทป็นดีจึงมีเถระวาจาถามว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอุทกังที่ประดิษฐ์สถานลอยอยู่ในอากาศชื่อว่าอากาศคงขานั้น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 อุทะกังจะมีชีวิตจิตใจเป็นสัตว์หามิได้อุปมาเหมือนกลองอันบุคคลประหารดังกล้องเป็นเสียงน้อยใหญ่จะเป็นสัตว์มีชีวิตจิตใ จ, จนั้นหามิได้มหาบาพิจงเข้าพระไทยเถิดมหาราชาขอถวายพระพรบพิธพระราชสมภารผู้ประเสริฐตกว่าเดียร์ถิทั้งหลายมาถือว่าอุทะกังเย็นเป็นสัตว์มีชีวิต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 มหามัจฉาชาติปลาใหญ่ติมติมิงคลาชื่อว่าติมติมิงคละอัพันตเรณิมุขาจมอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรอเนกสตะโยชนะกายโยมีกายยาวหลายร้อยโยทย่อมพ้นอุทะกังขึ้นไปบนอากาศอุทะกังที่กระทบฟันปลาทั้งหลายนั้นดังเสียงสนั่นก้องในประเทศท้องมหาสมุทร